พระธรรมเทศนาแผ่นที่49ลำดับที่5โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีสแสดงธรรมเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์2555มีชื่อเรื่องว่ า, าศาสนาแห่งเหตุผล ผลนี่ยมันแก่งลงพอแต่แท้ได้ลูกหลานสัตว์ญทยงานงงไหมต่กอนมันก็บรตกปัะธานลงพอม้างหลังสลานมบเทลงมาหมื่ว่านเลยว้ายแต่ยังดีทุกคู่บาปพ่นเอาพาเต้นเอาพาเต้นมุ่งแล้วก็แต่มันต่าแตกทางตระบาดเลยมันแตกพอหลังข้ามมันรูมันตกหล่นลงมาถือกระเบื้องมันเลยแตกพราแตกเทเหนี่วเงน น้ำไหลลงมาใส่พื้นซาลาสเนี่ยบาดลงพอมาเปงโอ่พ อ, อ ไ, ได้ลูกหลานเนีเอากระลมังมาห้องวะหมื่ว่านเอากระลมังมาล่องเต็มไปหมดนั่นก็น้ำหยดกามันล้นลงไปทั้งไตพื้นซาลาลงไปมันเป็นยิบซ้าได้บาดเลยอาก็มันลดลงจากแปนทังเทิงนี่ก็ลงไปกระทืบยิบซ้ายิบซ้าก็จิต เปื่อยละบ้านะยิบสั่มอย่างทั้งไตมันสิอเปื่อยเท่านะันีองเพรเปื่อยละปัญหาเยอะแยะเลยแต่ น, ะนี่ยเพหมูว่านเะโอหลวงพ่อมากเลยให้พระกระเบื้องแผ่นใดมันแตกกันไปจัดการจ้ะนี่แล้วเนี่ยหากะมุงแล้วเต่าเทิงแต่ตอนนี้มันก็นยังพระท่านเหตุคิดว่าเต่าเทิงเรียบร้อยแล้วก็สิเอาทั้งหองพระ แต่พวกเฮาทีนึงเอ้หลวงมันยังดีเลยหลวงพอนะ่อเลยแต่ย้ำมันก็ดีอยู่หลังค้าก็ยังพ่อใส่ได้ก็นมันใส่ไปกันที่ได้ไปสักช่วงระยะนึงอยู่แต่พอปัญหามันอะลิ่ยงบ้านเลยเลิ่งตัวบกใหญ่เลยโดดกันไปทั้งหุงบบนงบบ่นทั้งทางน้าย้มพระบูบินย้ำพระปบินทะบาทเนี่เพราะืนม้านมันไปเข ย, ย่าอยรักเสาไฟฟานะ้าเป็นงัดกระเบื้องทนะ่านเลโอ้ยมาแ ต, นะต่ละเธอเนี่ยแต่แต่แต่ทหารย้ำผ ah ลทีนึงพระจะปีนขึ้นบ้านะี่ หลวงพ่อเห็นว่ลงทุนเฮ็ดธรรมะแล้วสิดีกว่าก็เลยเอาสังกสีแผ่นยาวๆมันใส่เข้าไปเลยบาทเนี่ยมันจะขืนไปมั่งบ้านเนี้ยให้มันถือขอนตีตะปูกินน้ำลิ่งบ้านเนีับมันมันออกมือขึ้นไปงัดมึงล่องมึงมือมึงสิขาดอีกเสังกสีสิบาทมือมั่นบานเนี้ยเขาไม่จะขึ้นไปมั่งบาดเนี่ยปูน้าค้อนตีตะปูมาเด้่ยิ่งเนี่ยมา วันนั้เลยลงทุนเปลี่ยนไม้ใะ่ก็เลยเดยลงทุนเปลี่ยนเนี่ยเนยเอาสังกสีหลุดไมเนี่ยเลสิ่งได้สั่งเขานั่นมาใส่แต่ตมามเม่จี ม, มันก็บเบิ่งมันก็นกพ่ออยู่ๆก็บพ่อมีหยังนกระจไปได้หลายปีเติบอยู่แต่ก็มุ่งมากนั่นะปีสองพันห้ารอยสามสิบได้สลาเฮ้าเนี่ยตั้งแต่สองพันรอสาสิบปีดีก็5หาสิบผา เป็นเท่าไหร่ละยี่สิบสามสิบปีเขามาแเลยเดย น, นับนับนิ่งมอ่งลายปันใดวะเี่ตีมุ่งแท้ๆกับปีสองแปดสองแปดสองเก้าแล้วปีสามศูนย์แปลว่ามุ่งลังค่าห่อเนี่ประมาณปีสองแปดแต่ซาลาเราเห้าในแล้วปีสามศูนย์ก็นับมือมุ่งมากกับปีสองแปดนี่กับปีห้าห้า ใช้เวลาทนเติบอยู่แต่สีทั้งเถิงน่หลอนหมดแหละแต่ทั้งใตเขาเบิกยังดีอยู่แต่ปัญหาคอยังทีหลวงพอ่อเดบอฟังนะลิงญามพระบรยูนนะญาณพระปิปินธาบาทพวกญาติโยมม้ามันกับญาติเพวกญาติโยมญาติตะกูบาทนนะบางที่ปุ๊ปั๊บลุ่งผลโดดมาลกโงงแล่น่ะบางที่ปุ๊บปั๊ บ, บ, ดด ข, บ, บ, บ, บ, บขึ้นมา้าทังผลโดดมาขึ้นทังหลัง แต่เดี๋ยวมขมขมกันผูโบหจักมากเลยมันเสียงอย่างลงพรอยเพ่อเผื่อจะพาญาญลิ้งอยู่ทั้งหลังค้านีอะไรมันเสียงเสียงพี่หลอกเพราะจะว่าอีกมันเสียงพี่หลอกเ่าดังอยู่ขึ้นข้อมุพ่อไต้หลังข้านซาลาอยู่แถวจะว่าอีกเสียงลิ้งวนออกไปลิ้งมันขยายผู้ลายตะกรหมูปลาหมูปลากันหลายรลอยจับไปปล่อยมัดกับหมูปลานั่นจับไปปล่อยถุงกะมัง เกือบสองลอยตัวว่แล้วก็เอาไปปล่อยผู้หลวงจย่าวัดเล่ยนี่อีกลอยก็ตัววะก็เลยมัดยังเหลือหมูปลาอยู่บอกกี่ตัวด้วยเนี่แต่กอนโวยมันบพญานข้นล้ะพญานพระแต่เดี๋ยวเหวี่ญยานพระแล้วพระ เ, เห็นไอ้แล่นหักไงแล้วเนาะตะกอนมันเคยอยู่กับเ่านโวพอเคยยานพอต่อมาคุบ่าวบรายบรายบรา ย, รายมันมีแต่แขว่งซุงล่วงเสียงเลี่ยงธรรมดหมูปลานี่ย หมาอาเซยเสียนหลวงพอ่อนี่ตายยอดมั่นแหละมันควิดบัดเดียวเท่นั้นแหละตัวใหญ่ๆเนี่ยโอ้ยหงายทวนเลยที่แรกก็ทัพทายจะไปกัดหมูแหละมันบ่กเป็นหมูธรรมดาได้มันหมูปลาบันเป็นหมูหมูได้หมูปลาลงไปเออไปกัดมันก็ควิดบัดเดียวเท่านั้นแะงายหงายอะไรบึงหูจะรู้เออคอ เกือบขาดได้เมันเนี่ยเป็นผิดเป็นไพ่พระทุ่มควรานอยู่ตัดมาถึงึงนู้นสองพันกว่าปีมาถึงคราวนี้เราเอามาปัดฝุ่นเอามาพูดก็ยังเข้ากับสถานการณ์ได้อันนี้คือสถานีวิทยุของเราเนะี่ยร้อเจ็ดจุสองห้าเมกะเฮิร์อยู่ที่หลังวัดของเราเ ส, ส, ส, สาสูงประมาณห 60เมตรแล้วก็ความส่ง1กิโลวัตต์ความส่ง1กิโลวัตต์ในพื้นที่องเภอน้าสูสมสุวรรณคูหาปากชมสังคมและก็บ้านผือบางส่วนไปถึงบ้านผื อ, อยังฟังได้สถานีวิทยุตะกอดเรารับจากของหลวงตาบ้านตาดพอรับมามันมันข้ามเขา แต่กลางวันมันข้ามไม่ได้เพราะว่าสถานีแถวแถวนี้แห็สกัดไว้เหมือนกันเลยแต่กลางคืนเน่ยพอสถานีเหล่านี้ดับสถานีหลวงตาก็เข้ามาถึงหลวงพ่อก็เลยสร้างสถานีมีญาติโยมถวายจะตุปัจจัยก็เลยตั้งสถานีวิทยุเสียงธรรมร้อยเจ็ดจุสองห้าเนี่ยขึ้นมาแต่วันนี้สถานีสถานี ของหลวงตามีปัญหาสถานีของหลวงตามีปัญหาเพราะส่งขึ้นไปดาวเทียมแล้วแต่นี้มันไปกระทบวิทยุทหารทหารเขาเคยขอร้องให้ลดการส่งลดลงลดการส่งไม่ให้มันสูงเกินไปไม่ให้แรงเกินไปแต่ในทางบ้านตาดเขาก็เลยลดพอลดแล้วของเราเนี่ย เสียงอู้อี้ไปหมดเลยจะไงวันวานมันก่อนเอ๊ะทําไมวิทยุของเราผิดปกติวะแต่ก่อนทําไมเสียงไม่เป็นอย่างนี้พอทราบข่าวว่าทางนู้นรถอันนี้เราก็เลยไปหาช่างทางนี้มาให้มาดูเขาบอกว่ามันต้องปรับปรับจานดาวเทียมใหม่ปรับจานดาวเทียมเพื่อจะให้มันรับทางดาวเทียมรับตัวที่มันลดใหม่หลวงพ่อเลยเออ ถ้าขณะที่กําลังปรับารยานดาวเทียมเนี่ยเอา MP สามหลวงพ่อเข้าดูสินะก็เลยเอาเข้า MP สามหลวงพ่อเข้าเมื่อวานนลยตั้งแต่หกโมงหกโมงเย็นเมื่อวานนี่แหละก็เลยวันนี้ก็เลยพวกลูกหลานแถบนี้อยากจะฟังเทศหลวงพ่อนะมันได้ฟังนานแล้วนะมันได้ฟังนานนะแครคิดว่าวันจันทรย์ยานดาวเทียมเวกคงจะมาทําให้ มาปรับให้ก็คงไม่มีปัญหานะจากนั้นก็คงจะเอาเข้าหลงตาอีกต่อไปอย่างนี้กำลังเอาเข้าหลวงพ่อวั น, นวันวันจันทร์เขาคือจะมาปรับให้มาทาให้ใหม่วันนี้ทาไมสถานีวิทยุหลวงพ่อจึงออกมานะเพราะว่านี่แหละมันมีปัญหาอย่างที่หลวงพ่อได้พูดเลยนวันนี้เป็นวันวันที่สี่ตรงกับวันเสาร์ แล้วก็เป็นเดือนกุมภาพันธ์หลวงพ่อแต่ละวันเนี่ยธุระการงานวันนี้เลยได้พักที่วัดแต่วันพุ่งนี้ก็นุ่นไปอุดร อ, อีกล่ละตอนเย็นก็จะไปนู้นอีกบ้านผืออีกพอฉันยังหันเสร็จนั้นก็จะไปนู้นอีกไปสังคมเนี่ยแหละภาระธุระของหลวงพ่อเนี่ยโอ้ดูๆแล้วก็เหนื่อยเหมือนกันนะ จะจะทำยังไงได้เราอยู่ในชุมชนสังคมที่ถ้อยอาศัยไปมาหาสู่กันอันนี้ก็คือการอยู่ด้วยกันต้องพึ่งพาอาศัยกันถ้ามนุษย์ของเราไม่พึ่งพาอาศัยกันไม่มีน้ําใจต่อกันแล้วจะทำยังไงต้องมีน้ําใจต่อกันต้องไปมาหาสู่กันมีเมตตาต่อกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนในชาติคนชาติไทยของเรามีชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ชาติก็คือชาติไทยบรรพบุรุษของพวกเราศาสนาก็คือหลายศาสนาตัววันนี้ที่รับเป็นศาสนาประจำชาติไปอยู่ห้าที่ห้าศาสนาแต่พุทธศาสนาเป็นศาสนาหลักของประเทศไทยมาตั้งแต่ดึกําบรรพ์พระมหากษัตริย์ ราดมาตั้งแต่ดึกดาบันเหมือนกันประเทศไทยไม่เป็นขี้ข่าประเทศอื่นไม่เป็นเมืองขึ้นประเทศอื่นก็เพราะพระราชาเป็นภูมิมีปีชาสามารถเอาประเทศชาติให้หลอดพ้นจากพวกราอนณาเขตอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นทางพวกเราได้อ่านประวัติศาสตร์ของชาติไทยพวกเราก็จะรู้ได้ว่าประเทศไทยเป็นมาอย่างไร ใครเป็นผู้พยุงชาติไทยใครเป็นผู้นำชาติไทยมาถึงพวกเราไม่ใช่ว่าโดดเดยขึ้นมาแล้วก็จะมาถึงพวกเราแล้วก็ประเทศไทยผุดขึ้นมาเมื่อวานวันก่อนไม่ใช่นะเป็นมาตะดึกดำบรรก่อนที่จะรักษาประเทศชาติมาได้เอาเลือดทาแผ่นดินเท่าไหร่เสียสละเพื่อชาติมาถึงพวกเราพวกเราก็ได้รับความร่มเย็นเป็นสุข ปู่ย่าตายายต้นตระกูลของพวกเราได้ปกป้องประเทศชาติเพราะนั้นพวกเราเกิดมาในพื้นแผ่นดินไทยสิ่งไหนที่เป็นคุณงามความดีสิ่งไหนที่มันดีดีรูออ้จักไม่ดีเพราะพวกเราได้รับการศึกษาทั้งคดีโลกคดีธรรมปริยาตีโทเอกกฎหมายบ้านเมืองศีลธรรมจริยธรรมก็รู้อยู่แล้วเป็นผู้ใหญ่ด้วยกันแล้ว รู้ไหมดีคืออะไรคิดดีทำดีพูดดีคิดดีนี่คิดอย่างไรถ้าคิดไม่เป็นมิจฉาทิฐินี่นคิดอย่างไรถ้าทำไปแล้วไม่เดือดร้อนคนอื่น้วทำอย่างไรถ้าพูดออกไปแล้วเป็นที่ยอมรับไม่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนพูดอย่างไรอันนี้ก็คือพวกเราได้รับการศึกษามาด้วยดีมาด้วยกันเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่าน รักษาคุณงามความดีเอาไว้รักษาประเทศชาติบ้านเมืองไว้รักษาศีลธรรมจริยธรรมรักษาพระพุทธศาสนาเอาไว้นี่แหละพระพุทธศาสนาเป็นาศาสนาเหตุผลาศาสนาพุทธศาสนาเป็นาศาสนาเหตุผลพูดออกมามีเหตุมีผลให้พวกเราคิดดูสิตรงไหนที่ไม่มีเหตุผลพระพุทธเจ้าสอนให้ทาน พอสอนให้ทานพวกเราก็สะดุ้งล่ะเอาทำไมเราจึงให้ยอมให้เสียสละให้คนโดยที่ตัวเองหาทรัพย์สมบัติมาโดยความยากลำบากทำไมจึงสอนให้ทานให้เสียสละเพราะพระพุทธเจ้าทำไมสอนให้เสียเปียบคนใช่ไหมเราเป็นคนโง่ใช่ไหมทำไมจึงสอนให้เราเป็นคนเสียสละเพราะพระพุทธเจ้าจึงสอนให้ทานถ้าเราคิดเพียงผิวเผินเพียงแค่นี้ เราก็เสียเปรียบเขาจริงๆพอะเราหาเงินมาด้วยความยากลำบากเราไปทำทานเอาไปเสียสละเอาไปให้คนอื่นนะแต่ถ้าเราคิดลึกลงไปกว่านั้นอีกเนี่ยถ้าคนทุกคนไม่มีการเสียสละต่างคนก็ต่างได้มาถ้่เราเก็บหมดพ่อแม่ก็มาให้ลูกลูกก็มาให้พ่อแม่วงศานายาตเขามาให้แก่ใครเห็นแก่ตัวทั้งหมดต่างคนก็ต่างเห็นแก่ตัวไม่ยอม เสียสละไม่ยอมเฉลือเผื่อแผ่ให้แก่กันต่างคนก็ต่างแง่ขีตณีทีเดียวเห็นแก่ตัวทั้งหมดอะในเมื่อเห็นแก่ตัวก็ไม่เห็นแก่ใครโลกทั้งโลกจะอยู่ได้อย่างไรหมูหมากาไก่อยู่กับเราไม่ได้เพราะเราไม่มีเสียสละแง่ <phase> หมาแมวอยู่กับเราไม่ได้เพราะเราไ ม, ม่เสียสะละลูกเต้าเล้าล้านอยู่กับเราก็ไม่ได้เพราะเราไม่เสียสละผู้น้อยอยู่กับเราไม่ได้ พ, ไอยอยพ่อแม่อยู่กับเราก็ไม่ได้เพราะต่างคนก็ต่างขีตณีทีเดียว นี่แหละเพราะพระไตรปิฎกว่าถ้ามองดูแล้วถ้าว่าไม่มีเกียรติการเสียสละต่อกันโลกทั้งโลกจะหาความสงบร่มเย็นเป็นสุกไม่ได้แต่ถ้าว่ามีน้ําใจต่อกันมีเมตตาต่อกันมีการเอื้อเฟื้อเอื้ออารีต่อกันมีการเสียสละต่อกันโลกทั้งโลกก็จะร่มเย็นเป็นสุขได้เป็นระดับระดับฐานะคือการเสียสละ มีข่าน้ำโภชนาอาหารปัจจัยสี่เสียสละให้กันอันนี้เราอารมิตฐานวิทยาทานก็คือเรามีเรารู้วิธีการแนวทางแล้วก็สอนความรู้ให้แก่คนอื่นเขาให้เขาได้มีวิชาอาชีพในการที่ความรู้ของเราสอนวิชาตัดผมวิชาซ่อมรถวิชากีดยางวิชาทำไร่ทำนาวิธีทำเกษตร มันมีวิชาต่างเยอะแยะวิชาทำขนมนมเนยอันนี้เราเรี ว, วิทยาทานคือการแนะนําสั่งสอนคนอื่นให้รู้จักวิธีการธรรมาเลี้ยงชีพธรรมทานก็ให้ความรู้เกี่ยวกับจริยธรรมการอยู่ด้วยกันในกฎหมายสอนวิธีกฎหมา ย, ส อ, มายสอนวิชาจริยธรรมให้แก่คู่คนการอยู่ด้วยกันทําตนอย่างไรคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรม อันนี้ว่าธรรมทานอภัยทานการอยู่ด้วยกันก็ต้องมีการขัดข้องมองใจกันเป็นธรรมดาพออยู่ด้วยกันหลายคนถ้าไม่มียการให้อภัยกันมีแต่ถือโทษโกรธเคืองกันตลอดดางนั้นโลกทั้งโลกก็เดือดร้อนอีกเหมือนกันก็ต้องมีให้การให้อภัยทานคือให้อภัยซึ่งกันและกันนี่แหละถ้าจะว่าไปแล้วฐานะที่ว่าทานของพระพุทธเจ้าที่ท่านสอนไว้เนี่ย อามิจฉาทานเพียงคําเดียวเท่านั้นล่ะถ้าคนไม่มีทานเป็นยังไงไม่มีการเสียสละไม่มีการให้แก่ใครเลยเพ่อแม่พี่น้องเราจะเกิดมาได้อย่างไรเมื่อเราเกิดมาแล้วพ่อแม่ก็ไม่ให้ทานไม่เสียสละให้แก่เราเราจะเป็นคู่เป็นคนขึ้นมาได้ไหมโลกทั้งโล ก, กคงเจ็บจีภไยคงจะไม่ถึงมาถึงทุกวันนี้เพราะพ่อแม่พี่น้อง ให้อภัยซึ่งกันและกันให้ทานเสียสละให้แก่พวกเราเราจึงได้เป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาเนี่แหละอันนี้คือทานศินคือกฎระเบียบการอยู่ด้วยกันต้องมีกฎต้องมีระเบียบกฎหมายบ้านเมืองนะคือถ้าจะว่าไปแนละ้วคือศินศินน่ะก็คือกฎระเบียบกฎหมายน่ะก็คือศิลศินของพระก็คือ227ถ้าเราได้ศึกษาดูแล้วก็คือการอยู่ด้วยกัน คือไม่ให้มันมีเรื่องมีราวให้อยู่ด้วยกันอยู่ในกรอบอย่าให้ก้าวไายกันในทางที่ไม่ถูกต้องให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันอในทางที่ถูกต้องในหลักเหตุผลเนี่แหละคือสิง่งส่วนสมาธินั่นพระพุทธเจ้าสอนให้แนวความคิดคิดยังไงเป็นมิจฉาทิฏฐิคิดยังไงเป็นสัมมาทิฏฐิอันนี้เป็นหน้าที่ของพวกเราจะต้องศึกษาอันนี้รายละเอียดเลยแต่เนี่ย แนวความคิดเพะตนต่อทั้งหลายออกมาจากใจใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าเพราะนั้นเรื่องของใจที่พวกเราจะต้องได้ค้นคว้าศึกษาอยู่ในเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนเป็นเรื่องที่ยาวเจียดเลท่เรื่องสมาธิแนวความคิดทางด้านจิตใจพอพระพุทธเจ้าไปค้นคว้าศึกษาโดยละเรื่องของใจเป็นเรื่องใหญ่มากท่านถึงยกให้เลยว่ามโนปุพังขมาธรรมามโนเสรามโนมายา เรื่องทั้งหลายทั้งปวงมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วด้วยใจแต่พวกมนุษย์ชาติหรือว่ามนุษย์โลกในยุควิทยาศาสตร์ทุกวันนี้เขามองเห็นแต่ทางด้านวัตถุเขายังไม่มองไม่เห็นเรื่องนามธรรมนามธรรมนี่เขาไม่ได้ค้นคว้าเขาไม่ได้ศึกษาเขาค้นคว้าศึกษาแต่เรื่องรูปธรรมพระอาทิตย์เป็นอย่างนั้นพระจันทร์เป็นอย่างนี้ ดาวพระอังคารเป็นอย่างนั้นดาวแต่ละดวงเป็นอย่างนั้นไนงะแต่ขนาดดวงดาวในท้องฟ้านะก็ยังยังค้นคว้าได้ไม่กี่ดวงฮนะดาวในท้องฟ้าเนะี่ยดวงที่อยู่ไกลที่สุดเนีย่ยกระใหญ่ที่สุดก็ยังมีอีกที่มีอุณหภูมิที่มนุษย์จะอยู่ได้มีหรือเปล่ามันต้องมีเนะพราะดาวท้องฟ้าเยอะเลือเกินนะ อันนี้พวกเราเพียงดาวอย่างเดียวเราก็ยังค้นคว้าอย่างไม่ทั่วถึงเพราะฉะนั้นสิ่งในโลกนี่มีทั้งมากมายสิ่งที่พวกเรายัางค้นคว้าอย่างไม่ได้แหมมากมายแต่หลักของพุทธศาสนาเนี่ยตอนพุทธเจ้าค้นคว้าเรื่องจิตวิญญาณแอามาค้นคว้าเรื่องเรื่องของใจเรื่องแนวความคิดเรื่องจิตวิญญาณเมื่อสองพันรกว่าปีพุทธเจ้าเสียสละจากเวียงวังไปค้นคว้าศึกษาถึงหกปี เนี่ยเป็นนั่งคิดกันคองไตรตองเหตุและผลไปค้นคว้าศึกษาลองผิดลองถูกลองถูกรองผิดอดพระกายอาหารทั้งสี่สิบ้าวันก็อดเพื่อกอค้นคว้าเรื่องจิตวิญญาณจนวันเดือนหกเพนท่า น, นจึงได้สูตรสำเร็จสูตรสำเร็จได้ตัดสรู้จึงได้นำพระธรรมคำสอนออกมาประกาศเผยแพร่ให้แก่พวกเราได้ฟังได้ศึกษาเพราะนั้นพวกเราให้ศึกษานะ พุทธศาสนาที่น่าศึกษาพระาะศาสนาเหตุผลพุทธศาสน า, าเป็นศาสนาเหตุผลมีเหตุมีผลอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวปอบทานมีความหมายยังไงศิลก็คือกฎระเบียบการอยู่ด้วยกันถ้าไม่มีกฎไม่มีระเบียบไม่มีสิน่ะพวกเราคิดดูให้ดีก็แล้วกันเหมือนกับสัตว์สารสิงอยู่เต็มป่าหลวงพงศ์ไปใครมีอํานาจใครกําลังเหนือกว่าก็ต้องมีอํานาจควบคุม ฝูงนั้นถ้ามีกฎหมายถึงจะเป็นตัวน้อยก็าตามก็ต้องอยู่ในกฎต้องอยู่ในกฎต้องอยู่ในระเบียบก็อยู่ด้วยกันด้วยความผาสุกหลวงพ่อยังเปรียบเทียบวนะ่าคนคุ ก, น, ก, น, ก น, นักโทษอยู่ในเรือนจำให้พวกเราไปถามกันสิว่านักโทษในอยู่ในเรือนจำขาดศีลห้าล่วงละเมิดในศีลห้าหรือไม่เคารพในศีลห้า หรือผิดผิดศีลห้าโดยมากข้อที่หนึ่งพยายามฆ่าหรือทําร้ายร่างกายหรือว่าสั่งหรือว่าจ้างลักษณะอย่างนั้นเพื่อทำร้ายคนอื่นอันนี้ก็อศีลข้อที่หนึ่งคือปานาติปาศีลที่สองอธินาทานขาโมยขโมยประเภทไหนก็ตามขาโมยเล็กขโมยน้อยขโม ย, โมยพ่อแมพ่พี่น้อง ไปเรียกค่าไทยเขาก็จัดเป็นขโมยเมันผิดพวกนักโทษกลุ่มหนึ่งเป็นฐานขโมยใช่ไหมพอนักโทษกลุ่มหนึ่งอีกภาคผู้ยอ่อบ้างอะไรพี่อะไรผม อ, ร อ, อยากมากมายเกี่ยวกับสินข้อกาเมเนี่อันนี้ก็เป็นการผิดตกกฎระเบียงผิดสินสินห้านข้อที่สามข้อที่สี่ต้มตุ๋นหลอกลวงโกหกคนอื่นเขา เอาของเ อ, เอาเช็คกระดาษไม่มีเงินไปบอกว่าเช็คดีที่แท้เป็นเช็คเด้ง อ, อย่างนี้เป็นต้นของดีเอาตะกัวไปย้อมว่าเป็นทองคำเรือกปลอมแปลงเอาตะกัวเข้าไปในทองคำไม่เต็มร้อยสิ่งเหล่านี้ก็คือเป็นเรื่องโกหกตะกูลโกหกแล้วก็ข้อที่ห้าสุราเมื่อดื่มสุราเข้าไปก็คือโทษของยาเสพติด คันชายาฝินเฮโรอีนโคงโคงโคเกนยาองค์ยาไอทุกคนมีมากสรุปแล้วก็คือเมื่อเสพเข้าไปแล้วทำให้สมองผิดปกติขาดสติขาดความรับผิดชอบจะเป็นอะไรก็ตามจะเป็นดินก็ตามแต่กินเข้าไปแล้วนะมันขาดรับผิดชอบขาดความรับผิดชอบอันนันก็คือประเภทสุราประเภทเมลยัยประเภทสิ่งที่เป็นอันตรายต่อสมอง อันนั้นก็เป็นปประเภทผิดศีลศีลข้อที่ห้าสรุปแล้วก็คือสุราเมระยะมัชฌะประมาการดื่มสุราและเมลัยเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทดื่มสุราเข้าไปแล้วดื่มอะไรก็ตามถ้าเกิดความประมาทขาดสตินั่นแหละแปลว่าสิ่งนั้นผิดผิดศีลธรรมเมื่อขาดสติแล้วคนคนนั้นทําความชั่วได้ทุกอย่างเพราะมันขาดสติเหมือนกับคนเป็นบ้า มันขาดสติแล้วฆ่าพ่อฆ่าแม่ขโมยใครก็ได้ละหลับละล่วงสามีภรรยาลูกหลานใครก็ได้โกหกใครก็ได้พราะมันขาดสติเพราะฉะนั้นศินห้าของพระพุทธเจ้าถ้าเรานำมาวิเคราะห์หรือนำเอานัดโทษในเลือนจํามาเรียงตัวถามดูแล้วเนี่ยดวงพ่อว่ามันอยู่ในกลุ่มของสินห้านี่เกือบทั้งหมด เพราะนั้นสินห้าของพระพุทธเจ้าเป็นสินที่ตัดรากเหง้าและตัดความชั่วของคนทั้งหลายของมนุษย์ทั้งหลายถ้ามนุษย์มีสินห้าแล้วเคารพในสินห้าแล้วมีสินห้าแล้วมีแต่ความสงบร่มเย็ยนเป็นสุขในชุมชนและสังคมในยุคนั้นๆในกลุ่มนั้นๆประเทศนั้นๆถ้าประเทศใดก็ตามกลุ่มคนชุมชนกลุ่มใดก็ตามถ้า ไม่ครบในศีลห้าไม่มีศีลห้าเลยไม่น่าไว้ใจฮน่ากลัวน่ากลัวพูดอย่างนั้นได้เพราะนั้นขอให้พวกเราพุทธศาสนิกชนพวกเราท่านทั้งหลนึกหลับตานึกดูสิที่หลวงพ่อได้พูดให้ฟังเนะี่ยเป็นอย่างนั้นไหมฮอันนี้คือพูดบางอย่างกับพูดสุดโต่งสุดโต่งให้พวกเราได้ฟังได้ศึกษาถ้าพูดธรรมดามันก็อาจจะมองไม่เห็นภาพพจน ทำพูดแบบสุดโตงให้ฟังจะมองเห็นภาพพจน์ได้ชัดเจนว่าศีลของพระพุทธเจ้ามีคุณค่ามีประโยชน์อย่างไรถ้าผู้ไม่เคารพไม่มีศีลแล้วจะมีความเดือดร้อนอย่างไรแต่คนโดยมากไม่อยากจะมีศีลแต่ต้องการผลของศีลนะแต่ทุกคนจะให้รักษาศีลในโอกขยาดกลัว ไม่อยากจะเข้าใกล้ไม่อยากจะได้ยินอีกต่างหากแต่ว่าผลของคนไม่มีศีลเราต้องการไหมไม่ต้องการแหมะไม่ต้องการอยากจะให้เขามาฆ่ามาลังแกเบียดเบียนเราไมใหม่ใหม่ม่ไม่เอาไปจะให้เขามาขโมยเราไม่ใหม่ไม่เอาคือเราไม่ต้องการผลของคนไม่มีศีลแต่ว่าเราไม่อยากรักษาต้นือเราไม่รักษาเหตุ แต่เราก็ไม่ยอมไปยอมรับผลอย่างเหตุเนี่ยเราก็ไม่อยากจะได้แต่เราก็กลัวผลอีกแต่ทีนี้นถ้าว่าผลมีสินเหตุดีคนมีสินเหตุดีแล้วผลมันเป็นยังไงแต่เหตุนี่ไม่อยากจะทำแต่ผลมันเป็นยังไงผลออกมาเป็นที่ยอมรับเป็นที่ยอมรับของคู่ผนใครๆก็ต้องการไม่อยากจะให้คนอื่นมาเบียดเบียนเราคดโกงเราขโมยเรานีละ ขอให้พวกเราท่านทั้งหลายคิดดูสิศีลธรรมนะถ้าจะว่าไปในศีลธรรมเหมือนกับบอระเพ็ดอย่างนั้นะขมนะแต่ว่าเราทานเข้าไปแล้วมันเป็นยาแก้โรคภนะัยไข้เจ็บแต่ใครๆไม่ต้องการไม่ต้องการเพราะมันขมฟ้าทลายโจรมันขมแต่ทานเข้าไปแล้วเป็นยาแก้โรคนี้ก็เหมือนกันศีลธรรมนะ่ยมันเป็นของขม แต่เมื่อเรารักษาดีแล้วความร่มเย็ยนเป็นสุขก็จะเกิดขึ้นในชุมชนของพวกเรารนะับพรอ น, อนโมทนาให้พร